กรรมที่ทําลงไปแล้วไม่ได้อยู่กับอะไรนะมันอยู่กับจิตกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีเข้าอยู่กับจิตอย่างเดียวเท่านั้นไม่ดีที่มีพิพากอาศัยคืออีบากการรมขึ้นมันติดตามพูดทําไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะอ้างถึงพาให้พันพาลำพั น, พ น, พนละมั่ระวังให้มากนะการเรียกร้องความช่วยเหลือก็คือใจเดยแล้ความทุกข์ความลําบากก็หลอดมาเรื่องของใจนะให้มีทำเป็น เครื่องยับยังมีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นเป็นเครื่องเครื่องพักอหลับพักนอนพักอยู่อะไรก็มีความสบายบ้างถ้ามีธรรมนี่คือที่ยึดของใจอ mm hmm. เครื่องหรอเลี้ยงของใจใจจะไม่เดื อ, รอดร้อนมากมายนะถ้ามีธรรมภายในใจถ้าไม่มีใครจะมีสมบัติเป็นทองก็ขอมากน้อยจะไปเกาะพักบดีใจสักคู่หนึ่งพอแยกออกจากนั้นหาที่พิงมาไหนว้าวิานี่ร้อนมาก